ทีนี้ส่วนพระมหากัสสปะเทระท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะเป็นใหญ่เป็นพระมหากเทระที่มีชื่อเสียงเพราะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศีลาที่ขุนเป็นที่เคารพยำเกรงของพระอ น, นุนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบริวารมากขณะเดียวกันพระมหากัสสปะนั้นท่านก็เป็นใหญ่ในพระสูตรต่างๆมีชื่อเสียงปรากฏเด่นชัดในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเช่นจีวระปริวัตนสูตร จันโทโปมสูตรกัสสปะสังยุตทั้งสิ้นเนี่ยนะเป็นเรื่องของพระมหากัสสปะทั้งนั้นเลยมหาอาริยวัง ส, สูตรตลอดจนถึงการบวชของพระมหากัสสปะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และท่านก็ได้เป็นเอตทัคคะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระมหากัสสปะเป็นยอดแห่งภิกษุสาวกผู้ทรงทุดงของเราท่านเป็นผู้ที่เป็นผู้รักษาทุดงเลิศในทาง ผูดงเพราะท่านรักษาผุดงด้วยตัวท่านเองแล้วยังบอกยังสอนแนะนําให้ผู้อื่นประพฤตปปิปฏิบัติรักษาอยู่ในผุดงด้วยส่วนพระเทระที่มีชื่อเสียงองค์อื่นอีกก็คือพระอนุรุทธะเนี่ยนะเป็นใหญ่ท่านมีชื่อเสียงมากเนี่ยนะปรากฏมีชื่อเสียงทั้งน้านคุณธรรมภายในนะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นและก็มีชื่อเสียงในพระสูตรต่างๆ นะแม้ในพระไตรปิฎกมีหลายสูตรด้วยกันเช่นสูตรก่อนจุลโคสิงคขสูตรเนี่ยนะหรือว่านลกะปานสูตรอนุตริยาสูตรอุปกิเลสสูตรอนุรุทธสังยุตในอังคุตตรนิกายก็เช่นมหาปริสวิตักสูตรเรื่องรายละเอียดการบวชของพระอนุรุทธะก็เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ท่านบวชแล้วก็ได้รับคุณธรรมเป็นยอดถของพิสูจน์ทั้งหลายอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย อนุรุทธะเป็นยอดแห่งพิสุสาวกผู้มีทิพยจักสุของเราซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยนะส่วนรูปองค์อื่นอีกต่อไปที่มีชื่อเสียงที่ที่ไปพักอยู่ในป่าโคเสียงคาสารวันเนี่ยนะเช่นพระเรวตัตตพระเรวตะในพระไตรปิฎกมีสองรูปคือคธิระวณิยะเรวตตกับกังขาเรวตตส่วนพระคธิระวณิยะเทระเนี่ยนะ ที่เป็นพระเทวตะน้องชายพระสารีบุตรอันนี้ไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้แต่พระเทระชื่อว่ากังขาเรวตะหมายถึงผู้ที่มากด้วยความสงสัยพระเรวตะก็มีชื่อเสียงในคุณธรรมภายในของท่านเป็นผู้ที่โดดเด่นมากเนี่ยนะแล้วก็เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการบวชของท่านก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และบวชมาแล้วท่านก็ไปได้เป็นเอตะทะคะ ดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายกังขาเรวตะเป็นยอดแห่งพิสษุสาวกผู้มีฌานของเราในจำนวนผู้ที่เพ่งฌานเนี่ยนะทั้งฌานทั้งโดยสมถะเละวิปัสสนาพระกังขาเรวตะเป็นยอดเนี่ยนะเป็นยอดของนักเพ่งฌานเป็นนักใคร้ครวร น, นักพินิจพิจารณานักคนคว้าเจาะลึกเนี่ยนะในด้านธรรมะต่างๆในแง่ ม, มุมต่างๆในชีวิตเนี่ยนะ ส่วนรูปสุดท้ายที่มีชื่อเสียงแล้วก็โดดเด่นเนี่ยนะโดดเด่นมากเป็นเช่นกับเงาติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือพระอา น, นุทิระท่านก็เป็นผู้ที่โดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นเอตะทัคคะทั้งห้าอย่างเนี่ยนะเอตะทัคคะด้านไรบ้างเป็นพหูสูตรเป็นยอดพุทธอุปทาคเป็นต้นเนี่ยนะนะพระอ น, นุทิระนั้นมีชื่อเสียงในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วถ้าพูดถึงพระไตรปิฎกก็เท่ากับพูดถึง พระอนนเอวมัมเมสุตังเนี่ยคำพระอนนท์ทั้งนั้นแหละนำหน้าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้อันนี้พระอนนท์นำหน้าทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระอนน์นี้จึงเป็นผู้ที่โดดเด่นแต่รายละเอียดเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่มีพระอนน์รวมอยู่ด้วยเช่นเสะละสูตรพ า, พาหิติยสูตรอเนนชาติสปายสูตรโคปะโมกคลานาสูตรพระโหทาตุกสูตรจุลสุญญาตาสูตรมหาสุญญาตาสูตรอัจฉริยะอภู อภูตสูตรพ ร, ทรัทธกัลตสูตรมหานิทานมหานิทานสูตรในทีขนิกายนะมหาปรินิพานสูตรสุภสูตรจุลนิยะโลกาตสูตรตลอดจนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบวชเป็นต้นของพระอนนท์พระอนนท์ก็เป็นเอตทัคคะด้านเป็นพหูสูตรอันในสมัยพุทธกาลนั้นณป่าแห่งนี้เนี่ยนะปรากฏถึงพระเทระผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ใหญ่ อันนะั้นใหญ่จริงๆแหละหรูปด้วยกันและก็ไม่ใช่แต่เท่านั้นเนี่ยนะท่านบอกว่าพระเถระที่มาประชุมที่ป่าโคโสิงคาสารวันไม่ใช่มีเฉพาะพระเถระที่เอ่ยชื่อคือพระสารีบทผู้มีปัญญามากเพราะพระสารีบดุลพาพวกภิกษุผู้มีปัญญามากแม้เหล่าอื่นไปแวดล้อมพระทศพลเขาบอกว่าในป่าโคโสิงคาสารสูตรครั้งนี้เนี่ยนะ มันประกาศถึงจริตนิสัยก็บอกว่าฝูงโคย่อมอยู่รวมกับฝูงโคฟูงสัตว์เหล่าใดก็อยู่รวมกันฉันใดผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะเช่นพระสารีบุตรก็พาภิกษุที่เป็นผู้เวทล้อมมากไปด้วยปัญญามาอยู่รวมกันเนี่ยนะเป็นผู้ที่ฝักฝ่ายปัญญา และแม้กระทั่งเหมือนกับสมัยนี้นะพวกนักอภิธรรมก็ไปรวมกันกับพวกอภิธรรมพวกชอบวินัยก็ไปอยู่รวมกับพวกวินัยพวกชอบพระสูตรก็ไปอยู่รวมอยู่กันพวกชอบสูตรไหนมากมันก็ไปรวมกันนะนะการรวมรวมกันนี่มันเป็นตามตามธาตุเหมือนกันเถะหมู่สัตว์นี่มันรวมกันตามธาตุเนี่ยนะตามธาตุธาตุก็หมายความว่า ตามรสนิยมเนี่ยนะคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันฝักไฟเหมือนกันมีอัธยาศัยคล้ายกันก human to er ็จะไปรวมกันเมื่ออัธยาศัยไม่เหมือนกันเมื่อใดก็แยกกันไปนะเมื่อเมื่อใดที่อัธยาศัยเหมือนกันคิดเหมือนกันก็ต้องการเหมือนกันอะไรเหมือนกันก็รวมกันก็เลยเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามธาตุรวมกันที่ธาตุกระว่าประชุมกันตามธาตุกระวัติธาตุแท้ตามจริตอัธยาศัยนั่นแหละ อันผู้ที่มีอัธยาศัยฝักใฝ่ายในเรื่องของปัญญาทั้งหลายท่านเหล่านี้ก็จะไปรวมกับพระสารีบุตรเนี่ยนะก็ไปเดินตามพระสารีบุตรแวดล้อมไปด้วยพระสารีบุตรส่วนพระมหาโมคคลานะตนเองก็เป็นผู้มีฤทธิ์และก็มีพระพิสุทที่แวดล้อมท่านเนี่ยนะเป็นบริวารของท่านติดตามท่านหลายร้อยก็เป็นพวกพระที่มีฤทธิ์ทั้งนั้นเลยพระมหากระสปะเป็นผู้ที่กล่าวเรื่องขัดกล่าวเรื่องมักน้อยสันโดษรักษาทุดงอย่างจริงจัง ท่านก็มีบริวารที่เป็นพระพิสุทที่รักษาธุดงเนี่ยนะปฏิบัติอยู่ในคาถาวัตถุสิบมิใช่น้อยพระอนุรุทธาท่านเองไในทิ่พระจักสุก็มีบริวารอีกหลายร้อยที่เป็นพวกมีที่พระจักสุพระเรวัตเป็นผู้ยินดีในฌานเพ่งฌานไม่ค่อยพูดค่อยจางเงียบเนี่ยนะบริวารของท่านก็มีอัธยาศัยแนวเดียวกันเพราะคนเนี่ยมันเสมือนกันด้วยธาตุใช่ไหระารุย่ทั้งหลายก็รวมกันตาม ธาตุเหมือนกันนะแม้แต่อริยะทั้งหลายเนี่ยท่านก็รวมกันตามธาตุตามหมู่ตามพวกตามคณะทําบุญร่วมกันมาอะไรร่วมกันมาเนี่ยนะมันก็จะไปอยู่รวมกันมีอัธยาศัยคล้ายคลึงกันมีรสนิยมเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยนะจนถึงพระอนนเทเถระเป็นพระหูสูตรท่านก็มีพระพิสุเวทล้อมที่มีใจใจรักความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะก็ติดตามพระอนนทเป็นต้นเพื่อจะแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันของพวกเราในยุคปัจจุบันนี้ก็ดูว่าเราลูกหลานใครถ้าฝักฝ่สติปัญญา ม, มากก็แสดงว่าเป็นเผ่าพันธุ์ลูกหลานพระสารีบุตรถ้าชอบเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเห่อเหินเดินอากาศเห่อได้จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบอนะนะแต่มายเขาว่าก็เป็นสายสายสัมพันธ์กับพระโมกขลานะถ้าชอบเรื่องทุดงเรื่องขัดเกลามากน้อยสันโดษก็เป็นลูกหลานพระมหากัสปะถ้าฝ่ายเรื่องตาทิพย์เนี่ยนะ เป็นต้นเนี่ยนะมีตาทิพดูสวรรค์ดูนรกเป็นต้นตัวนี้ก็เป็นสายลูกหลานของพระอนุรธธุทธะถ้าตัวเองยินดีสงบเงียบไม่ชอบพูดมากรำคาญเนี่ยนะชอบหลีกเลนพิจารณาอริยศาสตร์ไปเนี่ยนะนี้ก็ลูกหลานของพระเร ว, วัตต์แต่ถ้าชอบนิกายนั้นคัมภีร์นี้ทรงคัมภีรโน่นจำหมวดนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นลูกหลานพระอนนน์เนี่ยนะก็ดูว่าเราลูกหลานใครแต่สําคัญก็ต้องไปดูต้นขั้วว่าเรากลายพันธุ์หรือ ย, ยังเนี่ยนะ ก็ต้องดูว่าเออยังเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเนาะหรือว่าแตกกอมาก็ได้แต่ยี่ห้อได้แต่ชื่อมาติดตามมาก็ไม่เนี่ยนะก็ดูอีกทีวันนั้นเนี่ยนะท่านพระมหาโมคลานะในหน้ายี่สิบสีกล่าวว่าครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะออกจากที่หลีเกรนแปลว่าออกจากพระสมาบัติในเวลายลนเนพอออกจากพระสมาบัติก็เข้าไปหาท่านพระมหากษรปะ แล้วก็ได้กล่าวว่ามาไปกันเถิดท่านกัสปะเราจะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมโมลานะพอได้ยินปับ๊บพอได้ยินก็รับคำของท่านพระมหาโมลานะครั้งนั้นท่านพระมหาโมลานะท่านพระมหากัสปะและท่านพระอนุรุธะก็เข้าไปหาพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรม ท่านพระนนเถระเห็นพระมหาโมกขลานะพระมหากระสปะและพระนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมครั้นแล้วก็เข้าไปหาพระเรวัตะแล้วก็กล่าวกับพระเรวัตะว่าท่านเรวัตะท่านสัตบุรุษพวกน้นกำลังเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมมาพวกเราไปกันเถิดท่านเรวัตะเราจะเข้าไปหาพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรม ท่านพระเรวัตก็รับคําของพระอานุนแล้วลําดับนั้นท่านพระเรวัตท่านพระอานนุ์ก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อจะฟังธรรมนะเน้นพระเถระที่มีชื่อเสียงหกรูปด้วยกันก็คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสปะพระนุรุธพระเรวัตพระอนุนเนี่ยนะในอัตถคัทาหน้าสี่สิบย่อหน้ากล่าวว่า ปฏิสาลนานาวุธิตโตพระมหาโมคคลานะออกจากวิเวกในพระสมาบัติหมายคำว่าออกจากอรหัตผลออกจากอรหัตผลสมาบัติที่มีจตุทชานเป็นบาปก็เข้าไปหาเตนุปสังกมิมหากัสโปก็คือเข้าไปหาพระมหากัสปะอธิบายว่าพระธีระออกจากที่ลีกร้นคือพระสมาบัติแลดูโลกกาตธด้านทิศตะวันตกก็เห็นสุริยมณฑนดวงอาทิตย์ กำลังจะอัดสดงเหมือนตุ้มหูกําลังตกจากกันของกษัตริย์ผู้เมาอ่อนเพลียเนี่ยนะพอเขามองเห็นดวงอาทิตย์ลอยเด่นกําลังที่จะรับขอบฟ้าไปนะถ้าต้องอยู่ที่กุฏิเนี่ยจะเห็นชัดเนี่ยนะที่เชียงรายดวงอาทิตย์มันเวลาจะขึ้นก็ดูสวยโวยเวลาจะตกก็ดูสวยเนี่ยนะมาชมอาทิตย์ขึ้นชมอาทิตย์ตกเนี่ยนะนะแต่มันก็ดูเด่นมากลอยเด่นแล้วก็ไม่แทงตาเท่าไหร่เนี่ยนะนะก็เป็นสีทองเหมือนกับตุ้มหูทองที่กําลังลอยเด่นอยู่นะั่นแหะ ไม่ไม่แพดแล้วก็ไม่ทำคานตาขาขึ้นก็สวยเนี่ยนะขาลงก็สวยเนี่ยนะแต่กลางวันก็อยู่ในร่มแล้วกันแดดก็แดดนั่นแหละทีนี้ต่อไปบอกว่าดวงอาทิตย์ที่ตกเนี่ยนะกำลังจะอัสดงคดเนี่ยเหมือนผ้า ก, กําพลแดงที่เขารวบรวมใส่ไว้ในหีบเหมือนถาดทองคำที่มีค่าแสนหนึ่งกำลังตกจากงาที่ประดับด้วยแก้วมณี เสร็จแล้วก็หันไปดูทางทิศประจีนคือทิศ ต, ตะวันออกเห็นจันทมนทนก็ว่าวงล้อแห่งดวงจันเนี่ยนะที่ขึ้นจากท้องมหาสมุทรสีเหมือนเมฆประดับพร้อมด้วยลักษณะบนยอดภูเขาจั ก, กรวาลด้านทิศ ต, ตะวันออกเหมือนล้อเงินยึดที่ยึดดุมหมุนไปเนี่ยนะดวงจันทรก็เหมือนกับทานน้ํานมไหลจากรางเงินเหมือนหงสาวที่กระปือปีกทั้งสองบินไปในท้องฟ้า ก็เคยเคยชมจันท์ไม่ขาดวงจันท์ขึ้นเนี่ยวันมาฆะวันวิสาขะเนี่ยนะถ้าหากว่าเมฆหมอกเป็นต้นไม่ปิดบงังดูดวงจันทก็งดงามอารามตาดีต่อจากนั้นท่านก็ดูป่าสารวันดูป่าสาระต้นสาระป่าไม้เกนนะนะสมัยนั้นตั้งแต่โคนต้นสาระจนถึงปลายเนี่ยนะนะก็ออกดอกบานสะพรั่งรุ่งเรืองเหมือนคลุมด้วยผ้าปาวานสองชั้นมัดเอาไว้ด้วยช่อมุกดาเมื่อเกสรดอกไม้ตกไปในที่นั้น พื้นแผ่นดินเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่ดาดระดาดไปด้วยดอกไม้เหมือนรถด้วยน้ำครั่งฝูงพึ่งพอเหมาะก็ะเรียกว่าพอเมาเกสรดอกไม้ก็บินไปในป่าส่งเสียงหึงห่งๆเนี่ยนะบอกว่าวันนั้นเป็นวันอุโบสถแสดงว่าวันอุโบสถเพนสิบห้าค่าพระเทระคิดว่าวันนี้เราจักยังวันเวลาให้ผ่านไปด้วยความยินดีในอะไรเนเนี่ยนะอเรียกว่า ก็เหมือนกับแบบพวกเราทั้งหลายปุถุชนทั้งหลายทั่วทวไปเนี่ยก็หมายว่าเออเราจะปล่อยวันปล่อยคืนหรือคืนเนี้เราจะอยู่ด้วยอะไรจะให้วันเวลาของเราเนี่ยผ่านไปด้วยเรื่องอะไรดีจะยินดีในอะไรเพลิดเพลิอนอยู่ในอะไรดีท่านบอกว่าธรรมดาผ้าอารยะทั้งหลายอารยะสาวกเนี่ยรักการฟังธรรมถามว่าทำไมท่านจึงรักการฟังธรรมเพราะท่านบรรลุมรรคผลเพราะการฟังธรรม เมื่อท่านเป็นผู้ที่บรรลุมรคผลเพราะการฟังธรรมท่านจึงยินดีมีจิตใจเลื่อมใสพอใจเป็นอย่างยิ่งที่จะฟังธรรมพันธะโมฆาลานะเนี่ยถึงท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีความรู้มีความสามารถฉลาดขนาดนั้นท่านก็ยังมีใจน้อมไปเพื่อการฟังเพราะท่านมีศรัทธาในการฟัง พระเถระก็มีความคิดว่าวันนี้เราจะไปยังสำนักของพระธรรมมเสนาบดีสารีบทผู้พี่ชายของเราแล้วจัดให้วันเวลาล่วงไปด้วยความยินดีในธรรมก็คือไปขอฟังธรรมจากพระสารีบทเนี่ยนะปรารบปัญหายังใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไปแสดงธรรมไปสอบถามปัญหากับพระสารีบทเพื่อให้พระสารีบทแสดงธรรมให้ฟัง เมื่อจะไปก็คิดว่าเออเราไม่ควรจะไปผู้เดียวเราจะพาพระมหากัสสปะเทระเพื่อนรักของเราไปด้วยแสดงว่าพระโมคคลานะกับพระมหากัสสปะนั้นคุ้นเคยกับคุ้นเคยกันมากเนี่ยนะสองรูปเนี่ยนะสองรูปพระสารีบุตรเนี่ยตกอยู่ในตําแหน่งพี่ชายใหญ่นะพระโมคคลานะกับพระมหากัสสปะถือว่าเป็นเพื่อนรักกัน น, นะแต่ก็รักพระสารีบุตรในฐานะพี่อย่าลืมว่าท่านเหล่านี้ยังไงท่านก็ไม่โกรธกันอยู่แล้วละเพราะท่านเป็น พระอริยะแต่ความสัมพันธ์ผูกพันกันนั้นลึกซึ้งแคลนมิตรภาพร่วมกันมาหลายหลายแสนชาติเนี่ยนะอย่างพระโมคคัลลานะภาษารีบุตรเนี่ยนะท่านมีมิตรภาพเป็นเพื่อนรักกันมาหนึ่งอสงไขยแสนกับก่อนหน้านั้นไม่พูดถึงนะนะก็ถือว่ามิตรภาพของท่านทั้งสองเนี่ยยั่งยืนแล้วก็ยาวนานมากเนี่ยนะแล้วก็ท่านเหล่านี้ก็มีหลายชาติเนี่ยนะเป็นลูกของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่น้อย แล้วก็เป็นพี่เป็นน้องที่รักใคร่ปรองดองสมัครสมา ส, สามัคคีกันดี พ, นพระนพรโมคะลานะเนี่ยพอคิดอย่างนี้ว่าเราไปชวนพระมหาคสปะไปฟังธรรมดีกว่าก็เลยเข้าไปหาท่านพระมหาคสปะบทว่าเอวามาวุโซติโคอายสัมามหากัสโปความว่าอายสัมมาตัวนั้นเนี่ยหมายความว่าเป็นพระเถระชั้นครูเนี่ยนะ ทุกท่านเนี่ยอยู่ในระดับชั้นครูเนี่ยนะสมัยใหม่ก็พวกปรามาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นระดับอาจารย์ที่ใหญ่มากมีลูกศิษย์ย่อยๆไปเยอะหลายชั้นด้วยกัน